บุญคากับจันรู้หน้าที่ของตนเองดีเริ่มหาฟืนก่อไฟต้มกาแฟทันทีความรู้สึกอันหนักอึ้งมาตลอดของสองครานอาวุโสบัดนี้หมดสิ้นลงแล้วความดีใจที่ตามพบเชิดบุตรและแม่มคริสได้ตัวกลับคืนมาอย่างปลอดภัยชนิดเกินคาดฝันทั้งทั้งที่ทั้ ง, ง, ง, ง, ง, งสองก็ต่างหมดหวังแล้วทำให้ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยอะไรเลยแม้ว่าจะกรำหนักมาตลอดทั้งคืน แคมีโอกาสพักสองสามชั่วโมงเมื่อใกล้รุ่งนี้เองก่อนจะมุดทถาำติดตามกันต่อรพินนั้นความเคยชินต่อเหตุการณ์ทําให้เขาปรับอารมณ์ได้อย่างรวดเร็วและเป็นปกติเหมือนเดิมทุกอย่างส่วนเชิดบุตรกัคริสตยังดูเหมือนจะงงๆเชื่อครึง่งไม่เชื่อครึง่งวันนี้จะเป็นเหตุการณ์จริงไม่จะฝันไปทั้งทังที่มานั่งล้อมวง เห็นหน้าคุยกันอยู่กลางแสงสว่างจ้าของทิวาการริมโขดหินใต้ร่มเงาป่าแล้วเช่นนี้แผนใหญ่นะเข้าใจดีเขายังไม่ซักถามอะไรให้คนทั้งสองซึ่งอยู่ในภาวะสับสนต้องให้เร่งพูดอะไรเกินไปนะักปล่อยให้สงบจิตสงบใจราบคาบดีที่สุดซะก่อนต่างฝ่ายต่างมองหน้ากันเองไปมาโดยยังไม่รู้จะพูดกันยังไงต่อไป เอางี้ครับประเดี๋ยวผมจะอธิบายถึงทางด้านฝ่ายผมให้คุณทั้งสองฟังทางคุณก็ลองค่อยๆลำดับภาพแล้วเล่าให้ผมฟังก่อนดีกว่านับตั้งแต่หินมันเริ่มถล่มลงมาเมื่อใกล้ถํำเย็นวานจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายที่รอดจากใต้ถ้ำมานอนหลับกันอยู่ตรงนี้จอมพรานเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเชิดบุฒิกิดขาคริสติน่าแล้วพยักหน้า คริสคุณเป็ดฝ่ายล่าให้รัพินฟังดีกว่านะเพราะครั้งแรกผมก็นอกขินสลบลืมโลกไปช่วยขณะตอนนั้นก่อนที่จะช่วยให้ผมฟื้นขึ้นมาได้นะคุณจะต้องรู้เห็นอะไรดีกว่าผมล่ะโอ้กอดคริสติน่าครางเบาเอามือกุมศีรษะอย่างพยายามจะทบทวนลำดับภาพแล้วหลอนก็บัญญายให้พรานใหญ่ฟัง โดยเริ่มต้นจากวินาทีที่หินภูเขาเริ่มจะเกิดการสั่นสะเทือนและร่วงลงมาไปตามจีกการชักชาเสียเวลาทำให้แผนการที่นัดแนไว้กระบุนคำกระจันต้องพลาดไปก็เพราะมีข้อขัดแย้งระหว่างหล่อนและเชิดบุตรซึ่งเขาเป็นฝ่ายยั่วโทสะทำให้หล่อนฉุนเฉียวหมวแตทะเลาะดาว่าบริภา ท, ทุกปีกันอยู่เรื่องนี้หลอนเล่าไปตามตรง แต่ไม่บอกว่าเชิดบุตรร้องเพลงยั่วล่อนด้วยเนื้อร้องหยาบคายเช่นไรและนั่นคือสาเหตุที่ล่าช้าเสียเวลาอยู่ในช่วงวินาทีวิกฤตทำให้ไม่ทันสังเกตว่าบุญคําและจันมุดลอดเข้าไปทางช่องที่กำหนดนัดหมายให้อยู่ก่อนแล้วการรอดตายในช่วงขณะของหล่อนเวลานั้นเกิดขึ้นเพราะเชิดบุตรจับหล่อนโยนทรงเดชเข้าไปในโพรงถ้าที่เคยได้รับทราบมาก่อนว่าเป็นทางตัน พร้อมทั้งเขาก็กระโจนตามหล่อนเข้ามาด้วยแล้วโลกของหล่อนกระเชิดบุตรก็ถูกตัดขาดจากโลกของพักพวกภายนอกโดยสิ้นเชิงผมนึกแล้วล่ะว่าคุณกับคุณเชิดบุตรจะต้องมุดเข้าช่องถ้ำผิดแน่หรือมิฉะนั้นก็มัวแต่ล่าช้าอยู่ถูกขินบททับแหลกละเอียดฝังไปเลยรัพินบอกมาเบาๆข้าวหน้าอันเครียดแลดูกระด้าง ราวกะหินของเขาแบบนี้เริ่มมีแววแจ่มใสขึ้นพยักหน้าเตือนให้หลอนเล่าต่อคริสติน่าเล่าถึงโพรงถ้ำอันมืดมิดที่หลอนเข้าไปนอนกลิ้งอยู่ซึ่งขนาะนั้นก็ยังไม่รู้ว่าเชิดบุตรผู้เบียงหลอนเข้ามานั้นอยู่ที่ไหนเล่าถึงเสียงสะเทือนอื้ออึงราวกระแผ่นดินไหวอันเกิดจากหินถล่มทับโถมลงมาจนกระทั่งมันสงบสิ้นล จากนั้นหล่อนก็ตามงมหาเชิดบุตรพบแก้ไขจนกระทั่งเขาได้สติรู้สึกตัวขึ้นมาครั้งแรกนะฉันคิดว่าเขาตายแล้วแต่ก็โชคดีมากที่เขาไม่มีอะไรสาหัสนอกจากบาดแผลหินบาด ท, ที่ใบหน้านั่นพร้อมกับพูดหล่อนชี้ไปที่หน้าผากของเชิดบุตรที่ยังมีปลัสเตอยร์ยาปิดอยู่แต่บาดนี้ดำสกปรกปูปี สิ่งแรกที่เราทำภายหลังจากเชิดวุธคืนสติขึ้นมาได้ก็คือพยายามเรียกทางวิทยุเราเรียกเรียกจนเสียงแหบเสียงแห้งแม่ผมทองพูดพร้อมกับยิ้มร่างยักไหลแต่ไม่มีสัญญาณใดๆตอบรับเรามาเลยเหมือนจะแยกออกจากคนละโลกซะละครับทางด้านฝ่ายผมทุกคนที่อยู่ข้างนอกก็เรียกคุณทั้งสองตลอดเวลาเหมือนกันครับ แต่ก็ไม่มีเสียงตอบเรื่องนี้คงไม่มีปัญหาอะไรนรักหรอกเพราะคลื่นวิทยุของเราทั้งสองฝ่ายไม่อาจส่งถึงกันได้อันเกิดจากที่อับทึบผูเขาหินฝังคุณอยู่ทั้งลูกหรือมิฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นบริเวณที่อับคลื่นวิทยุอย่างที่เราพบกันมาแล้วเอาละรครับเล่าต่อไปครับรับพินว่าแล้วบอกให้หลอนเล่าต่อ คริสติน่าเล่าถึงการพยายามงมหาทางออกภายหลังจากนั้นโดยอาศัยหลักเกณฑ์ที่มีความหวังอยู่แค่ริบรีว่าเมื่อยังมีอากาศหรือออกซิเจนหายใจกันอยู่ได้ก็แสดงว่าน่าจะมีทางติดต่อทะลุออกไปอย่างโลกเบื้องนอกได้เล่าถึงการแสวงหาช่องทางไปทุกด้านเท่าที่จะมีซอกซอนกันไปได้จนกระทั่งหมดแรงยังมองไม่เห็นความหวังผลที่สุดเวลาประมาณสี่ทุ่มเศษ ทั้งหล่อนและเชิดบุตรก็ต้องมาพักนอนกันอยู่ใจกลางถ้ำอันมีลักษณะเป็นถงซึ่งมีรูปนอหินลักษณะเหมือนคนยืนหัวขาดและมีแองน้ำผุไหลรินลงมาขังเป็นแองเล็กๆ ก, กินอาหารประทังชีพจากเรช่นแล้วก็หลับไปด้วยกันเล่ามาถึงตอนนี้เชิดบุตรมองหน้าแม่ผมทองนี่เราฟังอยู่เหมือนกัน ว่าหลอนจะบอกความจริงกับพระพินหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างหรือไม่คริสติน่าเว้นระยะไปครู่หนึ่งรับกาแฟาจากบุญคำที่ต้มสุกแล้วส่งมาให้หลอนจิตวางหน้าปกติและไม่สุดตาเชิดบุตรที่มองนิ่งอยู่ก่อนแล้วคริสติน่าก็คงเหมือนผู้หญิงธรมธรมดาาทั่วๆไปนั่นเองอะไรที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวลับเฉพาะ หล่อนก็ไม่เอ่ยอ้างถึงอีกเลยโดยข้ามเหตุการณ์ไปถึงตอนใกล้รุ่งที่หล่อนสะดุ้งตื่นขึ้นเพราะหูแววเสียงเรียกนามไหลล่าอันเป็นนามเดิมของหล่อนกลางวันสะท้อนก้องมาอย่างลึกลับหาที่มาไม่ได้ซึ่งนั่นเท่ากับเป็นการปลุกหล่อนขึ้นมาแล้วก็พลอยปลุกเช่อบุตรขึ้นมาด้วยเพื่อแสวงหาลู่ทางออกต่อไปเ <c oughs> มื่อหล่อนเล่ามาถึงตรงนี้ รปินไทรวันยิ้มน้อยๆ อ, อยู่ในสีหน้าถามว่าคริสคุณบอกว่าคุณได้ยินเสียงเรียกชื่อคุณแววสะท้อนมาว่าไลาล่าแล้วคุณก็ตื่นขึ้นมาใช่ไหมใช่ฉันสะดุ้งตื่นเพราะเสียงประหลาดนั่นแหละเป็นสิ่งลี้ลับมาสะกัดใจฉันอยู่จนกระทั่งเดี๋ยวนี้แล้วคุณเชิดวุฒิได้ยินด้วยหรือเปล่าครับนายทหารหนุ่มสั่นศีสัน ผมหลับสนิทครับไม่ได้ยินอะไรเลยตื่นขึ้นก็เพราะคริสปลุกแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังผมแน่ใจว่าเขาฝันไปไม่งั้นก็หูฝาดแต่เขาก็ยืนยันว่าเขาได้ยินจริงๆผมเลยเพิ่งรู้ตอนนั้นเองว่านามเดิมของเขาคือไลล่าอาเมเตตตอนที่คุณได้ยินแล้วก็ตื่นคือตอนนั้นเวลาประมาณสักเท่าไหร่ละ่ะจำพานถามเรียบๆจิตบุรีตัวหนึง่ง ปี่้ า, ก ว, ากว่าเห็นจะได้นะหล่อนบอกและเชิญวุฒก็เสริมมาอีกว่าครับร้อนๆนั่นแหละครับเพราะนับจากเวลานั้นมาก็เป็นเวลาที่เราเริ่มต้นแสวงหาทางออกกันอีกครั้งจนกระทั่งสําเร็จออกมาถึงที่นี่ได้คริสระพินเรียกหล่อนเบาๆเป่าควันบุหรี่ลงต่ําถ้าผมจะบอกอะไรคุณสักอย่างคุณจะเชื่อไหม หลอนทำหน้าตื่นไม่เข้าใจในคำพูดของเขาคุณจะบอกอะไรแลพินผมจะบอกคุณว่าเสียงที่คุณได้ยินเป็นเสียงของผมเองแหละที่ตะโกนเรียกคุณออกไปฮะว่าไงนะทั้งคริสและเชิร์ตวุฒแบทบพังหักโดยเฉพาะคริสสะดุ้งจนถ้วยพลาสติกบรรจุ ก, กาแฟกระชอ ต่างจ้องหน้าเขาคำิง่งกระพินอัดควันบุรีลึกก้นสีสันลงครับเสียงเรียกของผมเองเป็นเสียงที่ผมทดลองตะโกนออกไปเพื่อทดลองกับเพดานถ้ำเหนือสีสัะ ร, ระหว่างที่ผมงมอยู่อีกด้านหนึ่งว่ามันจะมีเสียงสะท้อนไปในลักษณะไหนผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าเหตุใดตนนั้นผมจึงตะโกนเรียกนามเดิมของคุณ แล้วก็ฟังเสียงของตัวเองที่กล้องกลับไปกลับมาใต่สูงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเสียงที่คุณได้ยินไม่ได้เกิดจากหูฝาดความฝันหรืออุปทานแต่เป็นความจริงครับมันเป็นเสียงที่สะท้อนไปจากผมซึ่งขณะนั้นอยู่ยังอีกซอกถ้ำหนึ่งห่างจากคุณทั้งสองออกไปโดยถ้าจะนับตัดเป็นเส้นตรงผมว่าคงไม่เกิน50เมตรเท่านั้นะ แต่บังเอิญว่าผนังถ้ำอันสลับซับซ้อนมันกั้นเป็นฉากเป็นชั้นไว้คุณเรียกชื่อชั้นระพินคริสตินาร้องลั่นอีกครั้งเบิกตาใช่ครับผมเรียกชื่อคุณครับตะโกนสุดเสียงเลยใช้วิธีป้องปากตะโกนขึ้นไปบนช่องเพดานเหนือสีสักของผมไม่เชื่อคุณลองถามบุญคำว่าจันดูสิทั้งสองคนนี่ยังงง นึกว่าผมร้องอะไรบ้าๆออกไปเพราะคุ้มคลั่งหรือเสียสติละมัก็ปรากฏว่าเสียงของผมที่ตะโกนออกไปครั้งเดียวนั่นแหละมันดังไปปลุกคุณซึ่งตะคุณใช้วิธีเดียวกันตะโกนตอบมาบ้างผมก็คงได้ยินแแววเหมือนกันเอาละรครับเหตุการณ์มันทำท่าจะมาประสานรอยกันได้แล้วประเดี๋ยวผมจะเล่าทางฝ่ายผมบ้างว่าเราติดตามคุณมายังไงตอนนี้คุณว่าไปให้จบก่อนแล้วกัน คริสติน่าอึ้งไปนานแล้วหน้าแดงซ่านหลอนตื่นเต้นเป็นพิเศษเมื่อได้ยินเขาเล่าเช่นนั้นส่วนเชิดบุตย์ยังงงหันไปมองหน้าแม่สาวผมทองเอ๊ะแล้วเราพินรู้นามเดิมของคุณได้ยังไงคริสฉันฉันไม่ได้บอกคุณเองอ่ะบุษย์หลอนบอกเสียงสั่นเคลือไปด้วยความปิติตื่นตันแล้วพินน่ะรู้จักนามเดิมของฉันก่อนคุณซะอีก สาเหตุก็มาจากที่ว่าเบนปากบอนไปบอกเขาบอกทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวของฉันเท่าที่เบนจะรู้ได้ให้เขาฟังจนหมดสิน้นเพื่อเขาทั้งเกลียดแล้วก็กลัวฉันเชิดหุ่กับพริบตาทีๆเปลี่ยนสายตามาที่เขาและพินก็ก้มหัวรับครับเบนเป็นคนบอกผมเองว่าคริสต์นแท้จริงคือใครตอนที่ผมตะโกนเรียก ใจผมมานึกถึงคุณบุษแต่ปาทำไมถึงดันเรียกชื่อไล่ล่าออไปก็ไม่รู้เหมือนกันซึ่งบุญคำกระจันก็ตกใจกันใหญ่นึกว่าผมร้องไอหยาเป็นเจ็ดตื่นไฟเขาไม่รู้เหตุผลว่าผมตะโกนแบบนั้นขึ้นเพราะอะไรกล่าวจบพลานใหญ่ก็หัวเราะเบาๆหยิบถ้วยกาแฟของเขาขึ้นมาจิบบ้างเชิบุษจึงเพิ่งจะมารู้ความจริงเอาตอนนี้เพราะเมื่อคืนที่ผ่านมา คริสก็ไม่ได้เล่าอะไรให้เขารู้ทั้งสิ้นได้แต่นั่งนิ่งอยู่เมื่อระพินขอให้เล่าต่อคริสก็เล่าให้ฟังโดยละเอียดถึงการแสวงหาวิธีออกของเชิดบุตรจนกระทั่งพบกับความสำเร็จและไต่ลงจากเขามาหยุดพักเผลอนอนหลับกันอยู่ที่นี่แล้วคุณล่ะตามเราออกมาทางไหนกันนี่สรุปท้ายหล่อนก็เป็นฝ่ายย้อนเขาบ้าง ผมก็ตามออกมาโดยเส้นทางเดียวกับคุณนั่นแหละจอมพรานบอกกะเวลาเปรียบเทียบกันดูแล้วเวลาที่ผมตะโกนเรียกชื่อคุณและคุณทั้งสองตื่นขึ้นมาแล้วจึงเริ่มแสวงหาทางออกทางด้านคุณใช้เวลาไม่น้อยกว่า 3-4 สี่ชั่วโมงที่งมงเส้นทางกันอยู่ในนั้นส่วนฝ่ายผมนะ่ะเมื่อตะโกนชื่อคุณทดสอบเสียงสะท้อนดูแล้วผมกับบุญคาและจันก็ไปนอนพักหลับกันอีกสองสาชั่วโมงเหมือนกัน พอตื่นขึ้นสายมากแล้วผมก็เริ่มไต่ขึ้นเพดานถ้ำบริเวณที่สังเกตได้ว่ามีช่องทางเชื่อมสูงขึ้นไปทันทีซึ่งเส้นทางนี้บุญคํากระจันสำรวจไม่พบมาก่อนพอคุณพบเส้นทางระดับสูงกว่าพื้นถ้ำได้การเดินทางฝ่ายผมรวดเร็วกว่าฝ่ายคุณสองคนมากแล้วเขาก็ยิ้มกว้างๆอีกครั้งคุณคงแปลกใจว่าเราใช้เส้นทางเหนือระดับพื้นถ้ำนั่น เดินมาจนกระทั่งทะลุลงถึงถ้ำที่คุณทั้งสองเข้ามาติดอยู่แล้วก็ได้ไต่ลงไปสำรวจซึ่งก็พบกระร่องรอยการพักนอนของคุณทั้งสองมีเศษกระป๋องของเครื่องเรซ่นทิ้งอยู่มันทำให้ผมพบความจริงว่าคุณทั้งสองยังไม่ตายแล้วก็มาติดอยู่ในถ้ำตานนั้นโดยหลบก้อนหินที่หล่นลงมาเป็นพายุได้ทันครั้งแรกนะเรานึกว่าคุณทั้งสองคนจะแหลกเหลวไปแล้ว เมื่อมาพบหลักฐานของการมีชีวิตรอดอยู่และขณะนั้นได้หายไปจากที่นั่นแล้วผมกับสองคนนี้ก็รีบแกะรอยตามมาทุกระยะเรารู้ด้วยว่าคุณทั้งสองใช้วิธีไต่ขึ้นเพดานเหมือนกันโดยปีนขึ้นไปทางหน่อหิน ร, รูปคนหัวขาดนั่นยิ่งตามกระชั้นเข้ามาก็ยิ่งพบร่องรอยถนัดขึ้นทุกทีแสดงว่าฝ่ายคุณเพิ่งจะล่วงหน้าไปยกจุกนี่เอง ป่าจบประพินก็ฟักกระเป๋าเสือ้อหยิบอาปลอกของพลุเคมีที่เชิดวุฒิจุดนำทางและปักไว้ตามเส้นทางในถ้ำสองอันออกมาโยนลงไปให้ดูตรงหน้าทั้งสองจ้องมองตะลึงค่อยๆหยิบขึ้นมาดูและมองหน้ากันเองอีกเป็นไงเชื่อหรือยังละ่ะว่าผมตามหลังคุณทั้งสองมาในเส้นทางเดียวกันนั่นแหละโดยเว้นระยะแค่ชั่วโมงส เ, เท่านั้น ทั้งยินดีทั้งชมเชยคุณทั้งสองอยู่ในใจตลอดเวลาว่าในที่สุดคุณกส็สามารถแสวงหาทางออกกันจนได้หลอกพลุอันที่สองที่ผมพบปักอยู่ในซอกหินตรงบริเวณที่คุณไต่รอยแตกขึ้นมากลางเขาแต่ตอนที่ผมพบน่ะมันดับสนิทแล้วแล้วขอเชื่อเธอว่าถึงแม้คุณจะมัวงมหาทางออกยังไม่ได้เราอีกแค่ช่วไม่นานผมบุญคาแล้วก็จัน ก็จะต้องไต่ตามเพดานด้านสูงลงมาพบคุณในถ้ำตันนั่นแล้วอย่างเร็วที่สุดก็จะต้องเอาคุณสองคนออกมาตามทางเดิมที่ผมไต่มาตอนแรกโดยย้อนกลับทางเดิมแต่ปรากฏว่าในการตามแกะรอยคุณทั้งสองมานั้นกลับพบทางออกใกล้กว่าและก็เสียงน้อยกว่าทางเดิมซะอีกระพินผมคิดว่าคริสพูดถูกต้องแล้วล่ะ คุณน่ะยิ่งใหญ่จริงๆเชิดบุตพู ด, พดออกมาจากแก่นแท้ของหัวใจมองดูเขาอย่างศรัทธาและเชื่อมั่นเต็มเปี่ยมสุภาพบุรุษไพรสันศรีรักกล่าวตอบอย่างสงบว่าไม่หรอกคุณต่างหากและเชิดวุตที่ยิ่งใหญ่ทุกคนของพวกเราแม้แต่ผมเองก็ยังเชื่อแน่ว่าคุณสองคนน่ะตายไปแล้วที่ตามมานี่ก็ตามมาเพื่อจะสารวจให้ได้ว่า กันอยู่บริเวณไหนที่แน่นอนเท่านั้นไม่นึกเลยว่าแม้คุณจะหลบเข้าช่องโพรงผิดเส้นทางกระบุญคำและจันซึ่งกำหนดไว้ให้ล่วงหน้าก่อนแล้วแต่ในที่สุดก็ยังอุตสาหลีกลบหินถลม่มสงวนชีวิตไว้ได้ในนาทีวิกฤตแล้วก็หลังจากนั้นทั้งๆ ท, ที่เห็นอยู่แล้วว่าเป็นทางตันทึบไปหมดคุณก็ยังสามารถเอาคริสรอดออกมาจากใต้ถ้านรกนั่นจนได้ด้วยไหวพริบ ป, ปฏิพาน ไอผมน่ะมันทรายอาชีพเดินเขาเดินถ้ำอยู่แล้วแต่คุณน่ะไม่เคยมาก่อนคุณก็ยังอุตส่าห์ช่วยตัวเองได้โดยไม่งอมืองอเท้ารอความตายอยู่นี่สิเป็นสิ่งที่ผมยกย่องนับถือบุตรชายท่านนายพลยิ้มออกมาได้อย่างแห่งแรงที่สุดถอนใจยาวระพินผมน่ะไม่ได้ภาคภูมิใจหรือคิดว่าตัวเองมีความสามารถเลยแหะนะสองคนกับคริสตนนึกว่าไม่มีทางรอดแล้ว คุณพระคุณเจ้าและเจ้าเขาเจ้าถ้ำมรกที่เมตตาช่วยชีวิตไว้สรุปก็คือคนมันยังไม่ถึงที่ความภูมิใจดีใจที่สุดของผมกับคริสเน่ไม่ได้อยู่ในข้อที่ว่ายังแสวงหาทางออกได้แต่มันอยู่ในข้อที่ว่าในที่สุดคุณก็ตามมาจนพบต่างหากพบเอาในนาทีที่เราสองคนเกือบตายอีกเหมือนกันและเชิดวุตก็หันมองขึ้นไปบนภูเขาลูนั้น กันลงมาแล้วถามว่าแล น, นี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยผมน่ะ ง, งงไปหมดแล้วก็เขาลูกเดียวกันกับที่ถล่มใส่พวกเรานี่ยแหละคุณบุษแต่เป็นเสียทางด้านตะวันออกคืออีกฟากหนึ่งถ้างั้นผมกับคริสก็เข้าใจไม่ผิดล่ะรอยแตกที่ผมสองคนไปยินไต่กันขึ้นมาเป็นรอยร้าวที่เพิ่งจะเกิดขึ้นใช่เปล่าครับก่อนนี้มันคงจะปิดตันไม่มีทางออกทางด้านนั้นใช่ไหม ครับใช่แรงสะเทือนราวกับแผ่นดินไหวอันเกิดจากภูเขาถล่มทั้งลูกทำให้เกิดรอยร้าวไปทั่วตามบริเวณหินเปราะตรงที่คุณกระคริสตไต่ขึ้นมาเพิ่งจะเป็นรอยแตกใหม่ๆซึ่งก็ช่วยย่นระยะทางออกมาเห็นท้องฟ้าเร็วขึ้นอีกความจริงช่องทางเดินในเขาลูกนี้นะมีเชื่อมทะลุปร่งไปทั่วระกำมดะคุณแต่มีชั้นต่างระดับของมันเท่านั้นแม้แต่ในปล่องเหวลึกลงไป ก็จะต้องมีช่องเชื่อมถึงกันได้เว้นแต่ยังไม่มีใครสำรวจได้เท่านั้นเองขณะนั้นตาเท่าบุญคำซึ่งแยกไปนั่งขัดสมาธิถือได้สายสินพนมในอุ้ง ม, มือสวดอะไรเงียบๆอยู่ทางด้านหนึ่งก็เดินตรงเข้ามาพอถึงแกก็คว้าข้อมือคริสก่อนผูกได้สายสินให้ที่ข้อมือแม่สาวมองดูอย่างง ง, ง, งไม่เข้าใจพอผูกเสร็จแกก็หันไปผูกให้กระเชิดบุดบ้าง ระพินหัวเราะเบาๆถามว่าทำอะไรอ่ะบุญคำแต่งานแม่คริสให้กับนายทหารเชิดบุตทยังไงคำพูดของเขาสับพยอกเล่นแต่ดูมันจะมีความหมายชอบคนคริสติน่าหน้าแดงส่วนเชิดบุตทยิ้มพลายเสียงตาเท่าบอกต่อมาว่าทำแม่มคริสจะแต่งงานกับนายทหารมันก็ไม่เกี่ยวกับบุญคำหรอกนาย บุญคำผูกข้อมือรับขวัญแหม่มกับนายทหารทหารที่รอดตายมาได้กันไม่ให้ผีซ้ำดํามพลอยด้วยนึกว่าตายแล้วเชียวไงถึงรอดออกมาได้ก็ไม่รู้โอ้เพียงขอให้เป็นสุขเป็นสุขมีลูกสักสองโหลนะเชิดบุตะดุ้งหยงร้องเฮ้ยลุงคำผูกข้อมือรับขวัญที่รอดชีวิตมาได้ ท่งไงอวยพรฟังทำแม่งทำแม่งอย่างนั้นอะลุกคริสติน่าจับหางเสียงตอนท้ายของบุญคําไม่ถนัดนักได้แต่ทาหน้างงง ง, งไม่รู้เรื่องรับพินกลั้นหัวเราะวางหน้าเฉยแต่เท่าจอมสัพ ป, ปะโดกบกมือทําหน้าขึเ้เฉยเฉยเฮิร์น้าบุญคําอวยพรให้อย่างนี้ก็ดีแล้วไม่อจะไม่รับพรที่ไอคำให้ก็ตามใจประโยคหลังจะเอียงหน้าเข้ามากระซิบ เอารับสิทำไมจะไม่รับโถลุงคำเชิดบุตรกระซิบตอบบุญคำคว้าแขนเชิดบุตรหมักฉุดให้ลุกขึ้นยืนแล้วพาเดินเลี่ยงห่างออกไปเล็กน้อยโดยไม่สนใจว่าคริสติน่าจะจับตามองอยู่เช่นไรเอากันดือด้อ ซ, ซ, ซึ่งหน้างั้นแหละพอพ้นระยะที่คนอื่นๆจะได้ยินแต่ก็ทำหน้าขึงขังกระซิบเชิงขูขข่ถามเบาที่สุด นายทหารเมือ่อกื้นี่อเป่าอะไรที่ว่าอเป่าอ่ะทมาทเป็นไก่เดี๋ยวก็ซัดเลยแล็ทามือกาหมัดขึ้นเชิดบุดหัวเราะโถลงคนจะตายกันอยู่แล้วใค้จะมีกระจิตกระใจอย่าอย่าอย่าโกโหกไอ้คำนะถ้าโกหกแล้วก็ต่อไปนี้ไม่ต้องมาปรึกษาหารือกันในเรื่องนี้ต่อไป ไม่โกหกก็ไม่โกหกเชิดบุตตอบอ่อยๆอเมื่ออยู่กับบุญคําเขาก็เหมือนเด็กๆคนหนึ่งยอมให้แกปั่นหัวได้เกือบทุกชนิดเอา้าไม่โกหกก็บอกมาที่เยอโนลุงคําเขาเรียกเยสหรือโ no. นไม่ใช่เยสเอเสียงมันก็ฟังคล้ายๆกันนั่นแหละไหนๆๆบอกให้ชื่นใจหน่อยสิ จะทาท่าเหมือนลอตอกไม่มีผิด yes เชิดบุรจําใจต้องสารภาพบุญคําเอามือสับอากาศทาปากมันต้องอยางนั้นแลงไงแลงไงสเด็ดสเดาสเดาวลวกไหมก็แ ม, ม่เบลใครจะหหดรกกว่ากันฮะนายทหารก่อนที่เชิดบุรจะตอบเช่นไรเสียงระพินไพรวันก็ดังมาว่า คุณพุทธครับอย่าหลวมตัวให้ไอ้เท่าเจ้าเล่จอมสักประดกนั่นหลอกอะไรได้นะไครครบก บ, บุญคำเสียคนไปหลายรายแล้วกลับมานี่เหอะเชิดบุตจิ้มแหย่รีบปลกจากกลับมาร่วมกลุ่มทันทีบุญคำออกกำลมปั้นทุบกระฟามือดังชาติสะบุดอุบอิบว่า <c oughs> นายกูรู้ทันกูซะเรื่อย กำนั่นจะหลอกให้เด็กมันเล่าเรื่องตื่นเตลให้ฟังสกักหน่อยดันพามาก็มาซะแล้วจะคับกันไม่ได้ก็อีต้อนคอยขวางลำขัดคออยู่เรื่อยนี่ละวุ้ยแล้ ว, วแกก็หันมาคอนกวัาเดินลงไปอาบน้ำในลำทานคนเดียวระพินและจันถีโอกาสรับประธานอาหารมื้อแรกของวันนักตำแหน่งนั้นด้วยเพราะตั้งแต่ตื่นขึ้นมาต่างยังไม่ได้กินอะไรกันเลยนอกจากน้า ระมวแต่บกบันติดตามค้นหาบุคคลทั้งสองโดยทันทีชนิดไม่ยอมล่าช้าเสียเวลาบุญคำนั้นขณะนี้แยกตัวไปอาบน้ำในทานใชแล้วสิงเชิดบุ๊ดและคริสติน่าตะโกนเรียกให้ขึ้นมากินอาหารและก็ขอผลักว่าอยากจะอาบน้ำอาบท่าให้สบายใจซะก่อนคริสติน่าจึงเปิดเนื้อกระป๋องจากเครื่องเรั่นที่เหลืออยู่ของหลอนนาเอาไปให้ตาพรานเท่าตรงทานน้าตาแหน่งที่แกนอนแช่อยู่ ซ้ำยังนำแบรนดีที่เหลือติดย่ามหลังอยู่เล็กน้อยไปให้ด้วยที่แท่นหินใต้ร่มเงาสักบัดนี้จึงมีเพียงสี่คนที่นั่งรวมกลุ่มสนทนาสอบซักเหตุการณ์กันอยู่สำหรับเชิดวุธคริสติน่าดื่มเพียงกาแฟเพราะกินกันก่อนที่จะม้อยหลับไปแล้วอถึงคราวที่คุณจะเล่าถึงายพวกคุณทางด้านบนมาก้ครับพี่ชาย ในบรรยากาศที่ไม่มีอะไรเร่งร้อนเพราะต่างฝ่ายโล่งอกสบายใจกันได้แล้วเชิดวุฒิเตือนระพินขึ้นมาบ้างเล่าให้ละเอียดยิบนาทีต่อนาทีเลยนะครับนับแต่หินถล่มร่วงลงมาโดยพลูขาปาะทะฝ่ายผมสี่คนที่ไต่ขึ้นไปก่อนแล้วจึงร่วงเลยหลบลงไปกลบทับพวกคุณที่เดินล่ออยู่ในเส้นทางข้างล่างอีกสี่คนถัดไป ซึ่งเวลามันก็คงจะห่างกันแค่ไม่เกิน1ิบวินาทีเท่านั้นในเหตุการณ์เดียวกันที่เรารเผชิญหน้าทั้งสองฝ่ายสองดังรพินพูดช้าๆขณะที่กินอาหารไปพลางพิตินานั่งกอดเข่าเอาหน้าซุกลงระหว่างแขนทั้งสองเหลือแต่ลูกตามองจับมาที่เขานิ่งเชิดวุฒ์เอื้อมมือมาจับเข่าของเขาบีบเบา โลกของเราทั้งสองฝ่ายถูกตัดขาดออกจากกันอย่างน้อยก็กว่า12ชั่วโมงต่างฝ่ายต่างไม่รู้อะไรของกันและกันเลยทางด้านผมเล่าให้คุณฟังละเอียดหมดแล้วถ้าคุณจะบอกถึงทางด้านคุณโดยไม่ให้มีอะไรตกหล่นเลยก็จะดีมากนะครับครับผมจะพยายามครับเอาว่าถ้าตอนไหนไม่เคลียร์หรือว่ามีข้อสงสัยยังไงก็ซักถามแล้วกันแต่ก่อนจะถึงทางด้านฝ่ายผม ผมอยากให้คุณลองหันไปถามทางด้านจันกระบุนคํำดูสะ ก, ก่อนเพราะทั้งสองคนร่วมอยู่กับคุณทางด้านล่างแล้วก็ต่างฝ่ายต่างเพนหนีกันไปคนละทางคนละคู่ตอนนี้ตะคาไปอาบน้ําอยู่นู่นก็ไม่เป็นไรผมจะให้จันท์เล่าเองถึงเหตุการณ์ตอนนั้นตอนที่เขาทั้งสองพยายามจะรั้งคุณกระคริสเข้าไปในช่องทางที่กําหนดหมายตาไว้ก่อนแล้วแต่ดูเหมือนคุณทั้งคู่ก็มัวแต่ทะเลาะทุบตีกันอยู่จนหินมันร่วงพรูลงมา ประโยคหลังเขากล่าวปนหัวเราะเบาๆอย่างขันขันบัดนี้เรื่องร้ายที่เต็มไปได้วยความวิตกกังวลซึ่งผ่านพ้นไปแล้วจึงกลายเป็นเรื่องที่เมื่อย้อนคิดนำมาปฏะติดประต่อเหตุการณ์แบบเล่าสู่กันฟังแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องขบขันสนุกสนานไปคริสติน่ายัางมองนิ่งอยู่ที่เขาเช่นเดิมแต่เชิญวุเปลี่ยนสายตาร่าเริงไปที่จันเป็นไงจัน เหตการตอนนั้นน่ะจันยิ้มแห่งๆรอดตายกันหมดทุกคนก็นับประบุอักโขแ ล, ละหลับนายทหารสมุนทรายของระพินพูด อ, อ่อยพลางสันหน้าไปมาถอนใจเฮือจันกับพี่คำก็มองเห็นอยู่แล้วว่านายทหารกแัแหมมนะ้ามัวแต่หยอกเล่นกันอยู่อีตอนที่หินบนหัวของเรามันคลืนคลืนลงมาอย่างกระฟาถลมนะ่ม่ะ แรื่ความจริงตามลำดับขั้นตอนก็ถูกเปิดเผยออกไปให้ทั้งคริสและเชิดบุตรทร์บยันเล่าถึงตอนที่บุญคนตะโกนเรียกสุดเสียงทลาวิ่งเข้าไปจะฉุดทั้งสองให้เข้ามาในโพรงถ้ำตามนัดหมายและบุญคำก็ถูกขินก้อนแรกตกลงมากระทบคว่าหน้าลงตัวเขาเองเห็นว่ามันคับขันเต็มทีแล้วจึงโดดเข้าคว้าขาลูกพี่ลากเข้าช่องโพรงถ้าเอาตัวรอดไว้ก่อน เพราะจะไปมัวพะวงถึงเชิดพุตรและคริสติน่าอยู่ตอนนั้นก็มีหวังตายกันหมดในที่สุดทั้งสองพราณ์ก็เข้าไปนั่งตัวสันฟังหินถลม่มใส่โถมทับลงมาอย่างช่องทางเดินแคบแค บ, แคบนั้นโดยเชื่อว่าทั้งเชิดบุตรและคริสติน่าคงจะหลบไม่ทันเหลวเละไปด้วยกันทั้งสองคนความหวังในข้อที่ว่าทั้งสองจะหลบทันโดยเข้าไปในโพรงที่เคยสำรวจไว้ก่อนแล้วว่าเป็นช่องทางตัน ก็มีอยู่บ้างเหมือนกันแต่หวังไว้น้อยมากแหมคริสกับนายทหารนะ่ะจันกับพี่คำไม่คิดว่าจะรอดอีกแล้วละ่ะถึงหลบหินได้ถ้าเข้าช่องผิดก็ต้องไปติดตายอยู่ในช่องตันแน่ๆถ้าจะให้พนันก็ต่อล้านบาทเอาบาทเดียวทั้งๆ ท, ที่จันไม่มีเงินล้านก็ยังกล้าพานันได้ละ่ะจันบอกจากความรู้สึกแท้จริงชดบุฒหัวเราะแล้วร้องว่า เฮ้ยน <t any Dec french> ี e at ้มันก็แช่งไงนี่ว่ะตาจันไม่ได้แช่งนายทหารของมันก็เห็นกันแง่ง่อยู่แล้วมีอย่างเรอหินกำลังลั่นโครมโครลงมายังหลอกหยอกเล่นกันอยู่ได้เห็นทุกกระตุกตับตุกตับนายทหารก็ร้องเพลงเสียงอะไรฟักฟักหมีหมีอะไรก็ไม่รู้ขังแมมคริสก็ร้องอยู่กรีดกรี จันฟังไม่ออกอะแต่ดูท่าว่าจะด่าแม่เอาเอะวไม่ต้องเท้าความตอนนั้นหรอกว่าต่อไปดิแล้วไงอีกนายทหารหนุ่มรีบบอกมาจันบอกถึงสภาพของตนเองกบุญคำที่เข้าไปนั่งจับเจา้าตกใจแทบหมดสติอยู่ในโพรงนั้นรอจนกระทั่งเสียงหินสงบสิ้นลงแล้วก็ลงความเห็นตรงกันว่า ทั้แม่มคริสและนายทหารไม่มีทางรอดแน่แล้วซึ่งความผิดก็น่าจะตกมาถึงทั้งเขาและบุญคําข่าที่มีหน้าที่ดูแลบุคคลทั้งสองอยู่แล้วแต่ไม่อาจช่วยเหลือได้ทันโดยต้องพลัดกันแบบนี้อันไม่ใช่ความผิดของทั้งสองเลยตัวเองสองคนน่ารอดปลอดภัยแล้วแต่ถ้ากลับไปจะรายงานต่อเจ้านายคือรับพินได้ยังไงคงถูกด่าปนปี้ชนิดไม่เลี้ยงทีเดียว นี่นั่นก็เป็นความรู้สึกของจันและบุญคำตอนนั้นซึ่งเป็นความทุกข์หนักไม่น้อยไปกว่าใครเหมือนกันโปรดพิจารณาให้ดีนะครับตอนนี้กลายเป็นสามฝ่ายละที่พลัดกันโดยไม่รู้ข่าวกันเลยคือหนึ่งพวกผมข้างบนสองคุณกับคริสสองคนที่หลบเข้าไปในช่องทางผิดแล้วก็สาม บุญคำกระจันที่เข้าไปหลบอยู่อีกช่องหนึง่งทุกฝ่ายล้วนอยู่ในภาวะวิตกกังวลด้วยกันทั้งสิ้นและไม่สามารถจะทราบเหตุการณ์ของแต่ละฝ่ายได้โดยถูกตัดแยกขาดออกจากกันเป็นสามด้านจอมพรานเสริมมาเพื่อเน้นให้คริสติน่ากระเชิดวุธเข้าใจมองเห็นภาพอย่างกระจ่างชัดคริสติน่ากระพริบตาหลับลงชั่วขณะ เชิดบุตรหน้าบ้องแบวขณะนี้เขาถอดเสื้อออกผาดแง่หินเหลือแต่เชิดหนังผิวแท้ปล่อยให้ลมอันมีไอแดดร้อนโชยพัดผ่านพ่คคำมีวิทยุที่นายทหารส่งให้ถือไว้อันหนึ่งพอเสียงหินมันเงียบลงแกก็แหกปากตะโกนเรียกเข้าวิทยุลั่นไปหมดเรียกนายทหารเรียกแมมคริสเรียกนายรพิน ก็เรียกไปทุกคนแหละแต่ไม่เห็นมีใครพูดตอบมามากกับคนข้างบนฝ่ายของนายระพินจะเป็นยังไงมั่งก็ไม่รู้แบมคริสกนายทหารก็คงจะถูกฝังไปแล้วตอนนั้นสองคนคิดยังไงอ้อยังอุตส่าห์นึกถึงวิทยุแล้วเรียกเหมือนกันเนอะเชิดบุษถามปนหัวเราะทำไมจะไม่เรียกจันก็ช่วยเรียกอีกคนนึงเรียกตั้งร่วมครึ่งชั่วโมงนี่ ที่ว่าเรียกวิทยุน่ะเปิดสวิตด้วยหรือเปล่าคริสถามมาจากใบหน้าที่ยังซุกอยู่ในซอกแ ข, ขนขณะนั่งกอดเขา่าเป็นเสียงผู้ยาวๆจันซมากกว่าจะเจตนาสอบถามแท้จริงอ๋อเปิดสิแมมก็เห็นไฟแดงมันยังสว่างเป็นจุดอยู่บนหัวของเครื่องอะ่ะจาว่าพี่คำแกไม่เปิดสวิตได้ยังไงจันว่าพวกเราทั้งสองฝ่าย ล้วนต่างใช้วิทยุเรียกหากันทั้งนั้นแหละครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผมด้านบนฝ่ายคุณกับคริสและฝ่ายของจัน์กับบุญคำแต่ก็อย่างที่ทราบกันแล้ววิทยุของเราทุกฝ่ายมันไร้สมรรถภาพลงชั่วขณะในบริเวณนี้ติดต่อกันไม่ได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างจึงดำมืดไปหมดสำหรับทางด้านผมนะ่ะตอนนั้นก็ยังไม่รู้นะ ว่าคุณและคริสตแยกออกจากบุญคำและจันทร์เพราะผิดจังหวะที่นัด ก, กันไว้ก่อนเข้าใจว่าคงจะปลอดภัยเรียบร้อยดีตามช่องทางที่บุญคํากําหนดไว้ส่วนเรื่องวิทยุที่เรียกกันแล้วไม่ได้ยินเสียงตอบรับเลยก็ยังไม่รู้สึกสงสัยอะไรนะักเพราะรู้อยู่แล้วว่าอาจเป็นบริเวณอับคลื่นวิทยุผมมนึกเอจใจภายหลังอีกห้หชั่วโมงต่อมาเพราะไม่เห็นบุญคํานําคุณสองคนไปยังจุดนัดพบบนยอดสักดำ อย่างที่สัญญากันไว้รพินเป็นฝ่ายบอกเพื่อทั้งสองลำดับภาพเหตุการณ์ได้ตามความจริงที่ได้เกิดขึ้นแล้วก็รับหน้าที่ต่อจากจันเล่าให้ทั้งสองฟังโดยมาเริ่มต้นอีกครั้งขณะที่ฝ่ายของตนอันติดตามด้วยหัวหน้าคณะด็อเตอร์สแตลลีคีทและอิสเบลไต่หน้าผาขึ้นไปยังตำแหน่งก้อนหินที่แลดูเป็นที่น่าสงสัยลักษณะประหลาดหน้าเกรงอันตรายนั้น ตลอดเวลาสองคนที่เพิ่งรอดตายออกมาได้นั่งฟังตาขม็งระพินเล่าไปตามจริงทั้งหมดที่ตนเองเผชิญร่วมกับผู้ติดตามทั้งสามเล่าถึงสาเหตุที่ทําไมหินอันมีโคลนขอดกิ่วก้อนนั้นจึงขาดตกลงมาเป็นผลให้หินบนหน้าผาแถบนั้นทั้งหมดพลอยถล่มร่วงพลูลงทั้งแถบซึ่งมันก็มาจากเจ้าช้างใหญ่ อันครั้งแรกเห็นเป็นเงาสีดําสนิทปานนินคอยรอจังหวะงัดหินก้อนที่อยู่เหนือขึ้นไปด้านบนให้หล่นลงมากระทบตรงรอยกิ่วของหินก้อนสําคัญก้อนนั้นขาดหลุดลงขณะนั้นเขาไม่ได้หันมาสนใจพักพวกทางด้านล่างที่กําลังเดนเินเป็นเป้าล่อเข้าไปในช่องทางซอกเขาแคบๆด้านล่างเลย อันเนื่องจากได้ทําความเข้าใจตกลงที่หมายนัดแนกกันไว้เรียบร้อยแล้วไม่หินก้อนใหญ่สื่อมรตยูก้อนนั้นเริ่มหักหลุดจากที่เขาก็เห็นตัวการแล้วก็ยิงทันทีมันสุดคูเข่าหน้าถลัยลื่นลงมาติดคาอยู่กับโขดหินที่ก้อนใหญ่หักลงไปแล้วจากนั้นตนนัวเองก็หลีกหลบเข้าหาที่ปลอดภยัยเพราะพ้ายุหินที่ร่วงไหลาตามกันลงมานับไม่ถ้วนอันเกิดจากอํานาจสันส่นสะเทือน เบลคิดและสเตนลีซึ่งแยกกันอยู่คนละชะ ง, ง่อนก็โละเวงปันปวนไปหมดบาดเจ็บไปตามๆกันสุดแต่ว่าใครมากน้อยแค่ไหนและคนที่ดูหน้าวิตกที่สุดในขณะนั้นก็คือหัวหน้าคณะดอเตอร์สเตนลีซึ่งสลบเมือ่อกว่าจะแก้ไขกันขึ้นมาได้นอกจากตัวเขาเองแล้วเบลน่าเจ็บน้อยที่สุดคิดถัดมาหนักสุดก็คือสเตนลี แต่การที่ไม่มีใครกลิ้งหล่นลงไปแหลกเหลวพร้อมกับพายุหินที่พัดร่วงไปยังซอกทางเดินข้างล่างนั้นก็ย่อมนับว่าโชคดีที่สุดแล้วภายหลังเมื่อแก้ไขหัวหน้าคณะขึ้นมาได้สาเร็จอันเป็นเวลาที่หินถล่มร่วงสิ้นสุดลงไปหมดแล้วตะวันทลเพลเต็มทีมองลงไปเบื้องล่างซอกทางเดินนั้นห็นหินปรักหักพังโถมไว้เต็มไปหมดเหมือนถนนสายใหม่ ทั้งหมดเริ่มเรียกวิทยุทันทีเหมือนกันโดยเรียกทั้งเชิดบุตรคริสและบุญคำไม่ปรากฏเสียงตอบรับความสงสัยคลางแคลงใจเริ่มเกิดขึ้นแต่ก็ยังไม่มากนะและทั้งคณะก็ไปยืนขึ้นไปดูซากของไอ้งาดำที่ระพินยิงคว่มอยู่กับที่นี่คุณเชื่อไหมครับคริสเชิดบุตรระพินพูดเสียงต่าขรึมลง ขนัดแลตาบุคคลทั้งสองที่ตั้งอกตั้งใจฟังชนิดตาไม่กระพริบไอช้างตัวที่เราทุกคนเห็นชัดๆว่างาสีดำสนิททำหน้าที่งัดหินลงปะทะกระโขดหินก้อนนั้นแบบจุดชนวนระเบิดและผมยิงมันควา่าถลายคลูดลงมาตามไหลเขาติดค้างอยู่ตำแหน่งนั้นปรากฏว่าเมื่อเราขึ้นไปดูมันใกล้ๆอีกครั้ง ไอ้งาที่เห็นว่าดำสนิทของมันแต่แรกๆน่ะค่อยๆกลับกลายเป็นสีเหลืองขาวเหมือนงาช้างธรรมดาเป็นการค่อยๆเปลี่ยนสีกลับก ล, ลายกันซึ่งซึ่งหน้าตำตาในระหว่างที่พวกเราขึ้นไปล้อมดูกันอยู่ทีเดียวครั บ, ค ร, บคริสติน่าและเชิดพุธอาปากางคุณว่ายังไงนะรพินอเมริกันผมทองเงยหน้าพวดขึ้นร้องเสียงสูง เสน่าเหมือนจะไม่แน่ใจในหูของตนเองผมพูดว่าช้างงาดําตัวนั้นเมื่อถูกยิงตายแล้วงากลับกลายมาเป็นสีเหลืองขาวตามธรรมชาติของงาช้างธรรมดาผมดรสเตลลี่คิดแล้วก็เบรเห็นกันหมดทุกคนครับแล้วก็งงกันไปหมดทั้งสองผู้รับฟังเรื่องราวอยู่อ้าปากค้างแล้วหันดูหน้ากันเองไปมา ผมไม่เข้าใจอะ่ะคุณรพินมันเป็นไปได้อย่างไงแล้วธรรมบันมันถึงได้เป็นอย่างนั้นน่ะนายทหารหนุ่มเอ่ยขึ้นอย่างตื่นตะนกครับผมเองตอนนั้นก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็เห็นอยู่ชัดๆว่ามันคือไอ้งาดำแน่ๆตัวใหญ่มาคือมาทีเดียวสีสันของงาซึ่งดำผิดธรรมชาติไปจากงาช้างทั่วไปก็ประกาศชัดว่ามันจะเป็นตัวไหนไม่ได้นอกจากจากขลุ่ของมัน อย่างที่พวกกระเหี่ยงตะเคียนทองบอกเล่าให้เราฟังนั่นแหละแต่พอถูกปืนคว่ำอยู่กระที่ทิ้งซากไว้งาก็กลับคืนมาเป็นสีขาวผมหาคำตอบไม่ได้ว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนอกจากใช้วิธีเดาหรือคาดคเนเอาแล้วคุณเดาหรือคาดคเนว่ายังไงละ่ะระพินคริสกระเชิร์ตบุตรถามมาโดยเร็วเกือบจะพร้อมกัน ระพินเอามือกุมท้ายทอยที่ประดับไปด้วยเส้นผมหยักเป็นคลื่นยาวของเขาผมว่าไม่มีช้างตัวไหนที่งาดำหรอกครับรูปการที่ปรากฏชัดเต็มตากันอย่างที่เล่าให้ฟังแล้วทำให้สันนิษฐานว่าไอ้ที่งาของมันดำสนิทก็ต้องเกิดจากอำนาจลี้ลับทางกริตยาอาคมของเจ้ามันไรนั่นเองคือถ้ามันส่งอำนาจเข้าควบคุมบงการช้างตัวไหน เจ้าช้างตัวนั้นก็จะเปลี่ยนสีงาไปเป็นสีดำทันทีแต่พอถูกปืนดับชีพลงสีงาก็กลับมาเป็นสีเดิมเพราะฉะนั้นถึงแม้เมื่อเย็นวานนี้ผมจะยิงไอ้งาดำอยู่หมัดไปแล้วภายหลังจากมันถลม่มภูเขาหินใส่เราต่อไปข้างหน้าเราก็อาจพบช้างที่มีงาสีดำอีกเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าหากว่าเรากาจัดไอผีร้ายมันไตรลงไม่ได้เพราะถ้ามันใช้กับอาคมเสยเวสลงช้างตัวไหน เพื่อเป็นจากขลุงปฏิบัติตามคำสั่งของมันช้างตัวนั้นก็จะเปลี่ยนสีงาเป็นสีดำไปทันทีอีกผมเข้าใจอย่างนั้นนะครับตายฮะเชิดบุตรอุทานเรื่องแปลกวิกลวิการที่เราไม่คาดคิดอีกเรื่องหนึ่งแล้วซึ่งเพิ่งมารับรู้จากคุณเดี๋ยวนี้เองแล้วคุณได้บอกแนวความคิดของคุณชนิดนี้ให้พวกเราฉันหมายถึงเบล แล้วก็อาจารย์ทราบรอเปล่คริสติน่าถามมาเบาๆครับผมก็ได้บอกแนวความคิดความเข้าใจของผมชนิดนี้ให้ทั้งสมท่านทราบแล้วเหมือนกันศึกใหญ่ระหว่างพวกเราทั้งหมดไก้ผีดิบมันไตรและโขลงช้างที่มันจะเรียกมาเป็นบริวารไม่ได้สิ้นสุดลงเพียงแค่ที่ผมยิงไอ้งาดำได้หรอกเพราะบอกแล้วว่าไอ้งาดาน่ะคงไม่ได้มีอยู่แค่ตัวเดียว มันจะทําให้ตัวไหนมีงาเป็นสีดาเมื่อไหร่ย่อมได้ทั้งสิ้นจนกว่าเราจะจัดการกับมันไตรได้สําเร็จขณะที่ผมจ้องระวังและยิงช้างตัวนั้นคว่ำลงมันไตรแวบหนีหายไปได้ซึ่งมันก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่พวกเราทุกฝ่ายชุลมุนอยู่กับการหลบพายุหินขณะนั้นน่ะมันซ่อนตัวอยู่คอยคุมและบงการให้ช้างอันเป็นบริวารของมันงัดก้อนหินเหมือนจุดชนวนระเบิดใส่เรา พอหินเริ่มถล่มและเราจัดการช้างตัวนั้นได้สําเร็จมันก็เพ่นหนีไปได้ทิ้งเฉพาะหลักฐานให้เราเห็นเพียงแค่ซาดช้างตัวนั้นเท่านั้นเหตุการณ์ตอนนี้ฝ่ายคุณสี่คนที่ถูกกลบอยู่ด้วยก้อนหินที่เทลงไปโถมไม่ได้มารับรู้รับเห็นด้วยเพราะเราแยกหน้าที่ ก, กันอยู่คนละส่วนด้านคุณก็เผชิญกันไปอย่างหนึง่งด้านผมก็โอลแมนกันไปอีกอย่างหนึง่งพวกที่ปลอดภัยดีที่สุด ก็คือพวกกระเรียงอพยพซึ่งเราต้อนให้ลงไปคอยอยู่ตีเนินตำแหน่งปลอดภัยภายใต้การควบคุมของเกิดกระเซยภายหลังจากช่วยกันซักถามระพินเกี่ยวกับเรื่องช้างผีลงอันมีงาให้เห็นเป็นครั้งแรกว่าเป็นสีดำตัวนั้นอีกครูใหญ่และรายละเอียดต่างๆเฉพาะตอนนั้นแล้วทั้งสองก็ขอให้เขาเล่าถึงเหตุการณ์ในลาดับต่อไปจอมานเล่าให้ฟังตามจริงต่อไปว่า ภายหลังจากทุกสิ่งทุกอย่างจบสิ้นสงบลงตรงภูผามอรณนนั้นเขาก็สั่งให้ขบวนทั้งหมดพร้อมทั้งคาราวานอุปยพของกะเรี่ยงตะเคียนทองเดินทางต่อไปยังยอดของศักด์ดำเพื่อหยุดพำนักรอคอยฝ่ายทยี่ขณะนั้นเข้าใจกันว่าคงจะมุดใต้ถ้ำที่หลบกันเข้าไปเดินทางไปสมทบตามที่นับแนะกันไว้สแตนลีย์คีตและเบล แสดงความห่วงกังวลต่ออีกสี่คนข้างล่างที่ยังไม่รู้ข่าวแน่นอนเป็นอย่างมากแต่เขาก็เป็นผู้ที่ให้คำมั่นสัญญาปลอบใจไว้ว่าจะอย่างไรเสียทั้งจันและบุญคำก็จะต้องนำทางรอดปลอดภัยออกมาได้แน่ๆในแคมป์พักบนยอดสักดำการเวลาของคืนที่ผ่านมานั้นล่วงเลยไปตามลำดับผู้ที่นอนไม่หลับและแสดงความวิตกเป็นอย่างมากคือหมอเบส่วนคิดะหัวหน้าคณะ เข้านอนหลับไปก่อนด้วยความอ่อนเพลียตัวระพินเองต้องปลอบใจเบลยอยู่อีกนานแล้วหล่อนก็ขอพรานพื้นเมืองของเขาคนหนึ่งคือเสยให้เข้าไปนอนเป็นเพื่อนอยู่ในกระโจมพักด้วยเมื่อยิ่งดึกข้าวยังไม่มีวี่แววว่าคนทั้งสี่อันหมายถึงบุญคาจันเชิดบุตรแล้วก็คริสจะปรากฏตัวมาสมทบกับพักพวกตามที่ได้นัดกันไว้ ตัวเขาเองก็เริ่มสังหรณ์กระสับกระส่ายหนักพยายามใช้วิทยุเรียกอยู่เป็นระยะระยะในระหว่างที่สแตนลีย์คีทและอิสเบร์หลับไปแล้วแต่ก็ยังคงไม่ได้รับสัญญาณตอบรับอย่างใดทันซิดตอนนั้นผมรู้สึกว่าท่าทางมันจะไม่ค่อยดีใส่แล้วเมื่อหลังเที่ยงคืนไปแต่พวกคุณก็ยังไม่โผล่ไม่เห็นแล้วพินกล่าวแผ่ว เ, เบาเมื่อถึงตอนนั้น ปัญหาที่เกิดขึ้นในใจก็คือถ้ารอจนถึงเช้าตะ ว, วันขึ้นแล้วคณะของกลุ่มสี่คนยังมาไม่ถึงเขาจะทำอย่างไรประมาณสามนาฬิกาเสร็จบุญคำกระจันก็ลอบเข้ามาซุ่มอยู่ใกล้ที่พักและพบกระเกิดก่อนให้แอบเข้ามากระซิ์เรียกเขาโดยไม่ให้มีใครในแคมป์ทราบโดยเฉพาะฝ่ายนายจ้างที่ยังนอนหลับอยู่เมื่อออกไปพบ เห็นสองคนสวักสบอมและสมซานกันเต็มที่โดยเล่าให้ฟังว่าหลวงพรัดกระเชิดบุตรและคริสขณะที่หินถล่มลงมาใส่โดยก็ไม่สามารถให้รายละเอียดแน่ชัดออกมาได้ว่าทั้งสองคนหลบเข้าช่องผิดทางหรือว่าถูกขินหล่นทับฝังทั้งเป็นไปแล้วที่เสียเวลาชักช้าอยู่ก็เนื่องจากทั้งสองภายหลังจากหลบรอดปลอดภัยเข้าไปในถ้าได้ก็พยายามสุดขีด ที่จะสแสวงหาทางต่อเชื่อมระหว่างถ้ำที่อยู่ไม่ห่างกันนักเพื่อจะไปทะลุออกไปยังถ้ำที่หวังไว้ว่าคริสและเชิดว o ฒิอาจจะหลบเข้าไปติดขังอยู่แต่ก็ไม่พบทางเลยเมื่อสิ้นหวังจึงตะเกียกตะกายกันมายังยอดสักดำอันเป็นที่พักพวกกรอคอยอยู่แล้วแต่ก็ยังไม่กล้าโผล่เข้าไปให้ใครอื่นเห็นโดยเฉพาะกลุ่มนายจ้างเนื่องจากไม่กล้าไปชิญหน้า และต้องการปรึกษาเล่าความจริงให้ระพินซึ่งเป็นหัวหน้าโดยตรงได้ทราบสะก่อนสำหรับตัวรพินเองนั้นเมื่อเห็นทั้งบุญคำและจันร์รอดมาได้เพียงสองคนรวมทั้งเล่าความให้ฟงังก็ใจหายหมดตอนนั้นผมคิดว่าคุณทั้งสองเสียชีวิตแน่แล้วเขาบอกความรู้สึกจริงใจในขณะนั้นพร้อมกับเอื้อมือไปตบเขาทั้งคริสติน่าและเชิดพุธ แต่มันก็ไม่ใช่ความผิดของคุณเลยนี่นะระพินถ้าหากว่าเราสองคนจะตายไปแล้วจริงๆจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเย็นวานคริสติน่าพูดเสียงเย็นๆใช่ครับไม่ใช่ความผิดของผมรวมทั้งไม่ใช่ความผิดของจันทร์ือบุญคําด้วยจากพฤติการเท่าที่รับฟังเรื่องราวในขณะนั้นแต่ถึงยังไงผมก็พ้นจากความรับผิดไปไม่ได้ในฐานะเป็นมคุเทสนําทาง ที่จะต้องปกป้องคุ้มครองชีวิตของทุกคนภายในคณะผมบอกไม่ถูกหรอกว่าขนาดนั้นนั้นจิตใจผมอยู่ในภาวะไหนทุกข์ร้อนกลัดกลุ้มแล้วก็ตกใจเหลือที่จะบรรยายถูกทีเดียวถึงบุญคำกระจันเองก็ยืนยันกับผมว่าคุณสองคนตายแน่แล้วถ้าไม่ตายจากถูกขินทับตอนแรกก็จะต้องตายเพราะเข้าไปติดอยู่ในช่องโพรงตันไม่มีทางออกโดยจะไม่มีช่องทางใดเข้าไปช่วยเหลือได้เลย ซึ่งก็ทําให้น่าจะเชื่อได้เช่นนั้นเพราะทั้งสองคนก็เคยสารวจถ้มใต้ภูเขาลูกนี้มาก่อนผมรู้เส้นทางดีอยู่ก่อนแล้วแล้วเขาก็จำต้องตัดสินใจเด็ดขาดจะเป็นตายร้ดียังไงก็จะต้องให้สมุนทั้งซ้ายขวาที่รอดตายมาได้นั้นนาย้อนกลับเข้าไปในช่องโพรงถ้าที่ลอดทะลุกันออกมาโดยมุ่งหวังวายวาวจะสารวจใหม่อีกครั้งด้วยตนเอง หรือว่าอาจจะพบเส้นทางใดบ้างที่จะนำไปเชื่อมถึงขนทางที่จันกระบุนคำเคยบอกไว้ว่าเป็นทางตันนั้นให้ได้ขณะนั้นนะครับผมตั้งความหวังอันริบรี่ไว้เป็นสประการดังนี้คือ 1. สแสวงหาทางในถ้ำที่สองคนรอดออกมาได้เพื่อนำไปสู่ขนทางตันที่คุณทั้งสองอาจเข้าไปหลบพายุหิงอยู่ซึ่งถ้าพบว่าคุณเข้าไปหลบติดอยู่ในนั้นจริง ก็จะได้นำออกมา 2. ถ้าแม้ว่าค้นพบขนทางนำเชื่อมต่อถึงโพรงถ้าที่วัดตันนั้นได้แล้วไม่มีร่องรอยของการหลบเข้ามาของคุณทั้งสองเลยก็จะได้รู้แน่ชัดออกไปว่าคุณทั้งสองถูกขินพับอยู่บริเวณปากถ้าตายไปแล้วไม่ต้องสงสัยต่อไปอีกและสถ้าเป็นไปได้แม้ว่าพบศพ ก็จะต้องนำศพกลับออกมาให้พักพวกของคุณเองเห็นให้ได้เพราะผมไม่อยู่ในฐานะที่จะนิ่งดูดดยเดินไม่ทำอะไรเลยสักอย่างได้แล้วก็ต้องรีบลงมือทำก่อนสว่างก่อนที่ด็อเตอร์สแตนลีย์คิดหรือเบลจะตื่นขึ้นมาพบด้วยเขาเล่าต่อไปว่าเมื่อตัดสินใจดังนั้นเขาก็เรียกเกิดเข้ามาสั่งความไม่ให้ปรีบปากกระตกกระตกักใดๆขึ้นเลยกลางดึก ขนไปทางใกล้ทุ่นนั้นไม่ให้บอกใครด้วยว่าบุญคํากระจันทร์สมสารกลับมาแล้วโดวยไม่มีเชิดพุทธและคริสตกลับมาพร้อมกันด้วยรีบออกเดินทางย้อนมายังปากทางเข้าถ้าด้านฝั่งตรงข้ามอันเป็นทางออกของพรานทั้งสองทันทีโดยเขียนโน้ตสั้นๆถึงบุคคลทั้งสบอกแต่เพียงว่าจะออกติดตามบุคคลที่หายสูญไปโดยไม่ได้ข่าวและถ้าฝ่ายนายจ้างทุกคนตื่นขึ้นมาในตอนเช้าแล้ว กอยเคลื่อนย้ายเดินทางกันต่อไปโดยให้ไปรออยู่ที่หมู่บ้านห้วยเสือร้องเพื่อรับฟังข่าวอยู่ที่นั่นมอบหมายหน้าที่นำทางไว้ให้เกิดและเสยโดยสัญญา ว, ว่าจะตามไปพบหรือไม่พบก็ตามก็จะรีบกลับไปส่งข่าวและพินแงนขึ้นดูตะวันเกือบเที่ยงกลางฟ้าเหนือยอดสักขึ้นไปตอนนี้ผมเข้าใจว่า เกิดและเสยคงนําพักพวกของคุณและพวกกระเรียงอพยพทั้งหมดไปถึงหมู่บ้านห้วยสือรองแ ล, ละหลักภายหลังจากตื่นขึ้นมาพบโน้ตสั่งความของผมรับพินกล่าวเรียบเรียบแล้วคุณคิดว่าพวกนั้นจะมีความรู้สึกยังไงล่ะครับในเมื่อตื่นขึ้นมาไม่พบคุณนอกจากโน้ตที่บอกข้อความอย่างนั้น <c oughs> เชิดวุฒิถามจอมพรานยิน้มแแค่ ก็คงคิดเหมือนผมเมื่อก่อนหน้าจะตามพบคุณทั้งสองนั่นแหละรครับคือต้องเชื่อว่าคุณทั้งสองรวมทั้งบุญคําและจันทร์ตายไปแล้วเพราะในโน้ตผมก็ไม่ได้บอกความจริงแท้ว่าตอนตีสาบุญคํากับจันได้หลุดรอดออกมาได้และแอบมาหาผมแล้วโดยเล่าความจริงให้ฟังทั้งนั้นก็แปลว่าในบรรดาบุคคลเหล่านั้นมีรู้ความจริงอยู่สองคนเท่านั้นสิ คือลูกศิษย์รุ่นนุ่ของคุณเกิดกระเซยใช่ไหมครับสองคนนั้นจำเป็นจะต้องรู้ความจริงครับว่าตอนดึกบุญคำกระจันกลับมาได้เพียงสองคนอันเป็นเหตุให้ผมต้องให้ทั้งสองนำย้อนกลับมาค้นหาคุณกระเชิดวุฒอีกครั้งผมมีความจำเป็นที่จะต้องปิดบังไว้ก่อนว่าบุญคำกระจันรอดกลับมาได้เพียงสองคนเท่านั้นและแอบไปพบผมใกล้แคมป์ ซึ่งตะพักพวกคุณสามคนในแคมป์รู้ความจริงข้อนี้เขาจะยิ่งกำลังใจเสียแล้วก็แน่ใจว่าทั้งสองเสียชีวิตไปแล้วแน่นอนเอาไว้ผมมาเห็นเองอาตาซะก่อนดีกว่าคุณฉลาดและรอบคอบเหลือเกินระพินเชิดวุฒพึ่พรรมพำออกมาแล้วคุณแน่ใจเหรอรพินว่าเมื่อพบโนตคุณที่สั่งให้เคลื่อนไปรออยู่ที่ห้วยเสือร้อง อาจารย์คีตและก็เบร์เขาจะปฏิบัติตามคริสติน่าถามอย่างไม่แน่ใจนะคริสครับคุณเองควรจะรู้อุปนิสัยใจคอและหลักปฏิบัติงานของพวกคุณด้วยกันเองดีอยู่แล้วนี่โดยเฉพาะด็อเตอร์สแตนลีย์ซึ่งนอกจากฉลาดแล้วยังเป็นคนเฉียบขาดมากด้วยผมรับรองได้ครับว่าพวกคุณทั้งสามไม่ว่าจะเป็นดรสแตนลีย์คีหรือเบ์ เขาห่วงกังวลถึงคุณมากที่สุดแต่ในภาวะที่ไม่อาจทำอะไรให้ได้ดีไปกว่านี้เขาก็ต้องทำใจให้เข้มแข็งมั่นคงที่สุดด้วยถ้าเขาไม่ทำตามที่ผมขอร้องคือให้ไปรอกันอยู่ที่ห้วยเสือร้องเขาก็จะเป็นคนโง่แล้วก็ขาดสติเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะต้องรออยู่บนยอดสักดำเพื่อฟังข่าวจากผมไปรอฟังข่าวอยู่ที่ห้วยเสือร้องก็ได้เระยทางมันก็ไม่ได้ห่างไกลออกไปนัก ผมได้บอกแล้วในโน้ตสั่งความว่าผมจะต้องไปที่นั่นไม่ว่าจะตามพวกคุณพบหรือไม่แล้วก็เล่าสรุปในตอนท้ายว่าได้ตามมาสำรวจถ้ำที่พรานพื้นเมืองลูกศิษย์ก้นกุดทั้งสองใช้เป็นเส้นทางโผล่กันออกมารวมทั้งเข้าไปตรวจสอบลู่ทางโดยเดิ น, เดนย้อนกลับเข้าไปจนถึงปากทางฝั่งโนอนอันมีหินภูเขาถล่มลงมาปิดปันหมดแล้ว เหตุการณ์ต่อจากนั้นมันก็มาประสานรอยกันได้อย่างสนิทกับเรื่องราวที่ต่างฝ่ายต่างรู้กันไว้ก่อนแล้วในการสอบซักถามกันเมื่อพบกันครั้งแรกหมดสิ้นข้อคลางแคลงสงสัยทุกเหตุการณ์ทุกฉากทุกตอนกระจ่างชัดออกไปหมดจันกับพี่คำเคยสำรวจถ้ำนี้มาหลายครั้งแล้ว สมุนซ้ายขวาเขาเป็นคนบอกในตอนท้ายกดตรวจหากันแต่เฉพาะระดับพื้นราบของถ้ำเท่านั้นไม่รู้เลยว่าบนหลือเพดานสูงขึ้นไปมันจะมีทางเดินต่อเชื่อมถึงกันได้พอนายเข้าไปสำรวจนายก็ค้นพบแต่กว่าจะพบได้ก็แถบเลือดตากระเด็นเหมือนกันเพราะพบเส้นทางด้านสูงที่เดินติดต่อไปถึงโพรงถ้ำอื่น ที่เคยนึกว่าตันได้สําเร็จพวกผมก็นึกรู้ทันทีว่านายจะต้องค้นพบแม่มกันายทหารได้เพียงแต่ว่าพบแบบยังหายใจหรือพบศพเท่านั้นแต่พอมาเห็นรอยหุงหาหลับนอนกันตรงหินรูปคนหัวขาดนั่นก็ดีใจจนบอกไม่ถูกเพราะรู้แน่ว่านายแม่มกันายทหารยังไม่ตายทั้งคริสติน่าและเชิดบุตร นั่งน้ําตาซึมไปอีกครั้งด้วยความตื้นตันใจในความพยายามจนสุดความสามารถของพรานนําทางผู้ไม่ยอมทอดทิ้งบุกบั่นค้นหาจนพบทั้งทั้ ง, ท, งที่ดูจากเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมแล้วความหวังมันไม่มีเหลืออยู่เลยคนอย่างนี้ยังอุตส่ามีหลงเหลืออยู่ในโลกอีกเหมือนกันนะคริสในที่สุด พันตรีเชิดพุทธก็เอ่ยขึ้นแผ่วเบาบุยปากไปทางแานใหญ่ผู้ซึ่งเขาก็เพิ่งสังเกตเห็นชัดเอาเดี๋ยวนี้เองว่าสะบักสะบอมและขมุขขมอมไม่แพ้เขาและคริสติน่าเช่นกันความจริงเขาน่าจะแทงบัญชีจำน่ายเราสองคนไปแล้วแต่ก็ยังอุตส่าห์ตามมาจนได้เหนื่อยหนักตอนขึ้นไปประจันหน้ากับไอ้งาดำบนภูเขายังไม่พอ ตกดึกยังต้องมาเหนื่อยยากติดตามงมหาเราสองคนเขาอีกเขาเป็นมิตรแทร้ที่หายากสำหรับเราทุกคนและพูดกันแส่เดี๋ยวนี้อีกครั้งเลยถ้า ง, งานเบื้องหน้าของพวกคุณสำเร็จและพวกคุณหักหลังเขาพวกคุณก็ไม่ใช่มนุษย์แล้วแต่ร้ายกาชาติชั่วซะยิ่งกว่าไอ้ผีดิบมันไรสะอีกแม่ภูเขาน้ำแข็งผู้ลึกลับมืนหน้าไปทางอื่น แต่พูดเบาๆเรียบๆมาว่าก็ใครใช้ตามเรามาล่ะเราเองสองคนก็สามารถแสวงหาทางออกมาได้เองไม่ใช่หรอระพินทันเล่ยังถึงก้นบึ้งของหัวใจแม่สาวผู้มีนามเดิมว่าลายล่าอามิเตตมานานแล้วเขาจึงเพียงแต่ยิ้มไม่กล่าวเช่นไรแต่เชิดบุตร์ยังอ่อนหักนัก พอได้ยินถ้อยคำดังนั้นก็ฉุนกึกํำรามอะไรออกมาคำหนึ่งง้างมือขึ้นจะตกกะเอาให้คว่าคามือเพราะคาดไม่ถึงว่าหล่อนจะพูดใส่หน้าระพินอย่างนี้ก่อนที่ฝ่ามือนั้นจะฟาดลงไปมันก็ถูกรวบฉับไว้ด้วยอุ้งมืออันแข็งแรงเต็มไปด้วยพลังอยากทักคุณวุฒิคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะทาร้ายอะไรเพื่อนร่วมตายของคุณคนนี้นะ ก็ฟังพูดออกมาสิเชิด ว, วุฒิเอตโรลั่นขึ้นมาหน้าแดงตังตาวาวนี่ผมชักเกรีดขี้หน้าคุณขึ้นมาซะแล้วนะคริสตินาประโยคหลังเขากันโชคใส่หลอดพร้อมทั้งแยกเขี่ยวเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ดีมากสำหรับคุณนะวุฒิที่คิดได้เช่นนั้นคริสติน่าพูดเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นพร้อมทั้งลุกขึ้นยืนช้ า, ชา กล่าวต่อมาว่าฮะคุณก็คุยกับพรานนำทางของเราไปก่อนนะจะสาบแช่งดาวว่ายังไงก็เชิญตามสบายฉันจะลงไปอาบน้ำแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าที่ลำทานนั่นฉันหน่อยพรานคุ้มกันประจำตัวของฉันก็อยู่ที่ทานน้ำนั่นอยู่แล้วไม่ต้องมีใครมาเฝ้าเห็นอีกหรอกกล่าวจบคริสก็คว้าเอ็มสิบหกไปหลังประจาตัวลุกขึ้นเดินจากที่นั่น ตรงไปยังทาน้ำที่มองเห็นไหลรินรินอยู่ไม่ห่างนักทันที